ปริมาณทาิวาระอัฏฐกะว่าด้วยวาระอาบัตมีจำนวนนับได้เป็นต้น8กรณีภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุต้องอาบัตสังคาทิเศษหลายตัวมีจำนวนนับได้ไม่ได้ปิดไว้แล้วศึกละ มีจํานวนนับไม่ได้ไม่ได้ปิดไว้แล้วสึกละอาบัตมีชื่ออย่างเดียวกันไม่ได้ปิดไว้แล้วสึกละอาบัตมีชื่อต่างๆกั น, ไ ม, ไ, ไ, น, กนไม่ได้ปิดไว้แล้วสึกละอาบัตเป็นสภาคะกันไม่ได้ปิดไว้แล้วสึกละ อาบัตไม่เป็นสภาคะกันไม่ได้ปิดไว้แล้วสึกละอาบัตกำหนดได้ไม่ได้ปิดไว้แล้วสึกละกระจายไปไม่ได้ปิดไว้แล้วสึกล ะ, ก ะ, ลกละพึงให้พิสดารเหมือนในตอนต้นปริมาณาทิวาระอัฏฐกะจบ